173สมาธิแบบพุทธปัญญาแบบพุทธมีแบบวิธีชัดเจนทำสมาธิเข้าไปอยู่ในพระวังจะด้วยการสะกดจิตตนเองหรือมีผู้อื่นสะกดจิตอยู่ก็ตามมันมีแต่สัญญากำหนดหมายอยู่ในภพภายในเท่านั้นคิดเห็นจากความจำหรือคิดใหม่ขึ้นมาก็ตาม มันเป็นเพียงความนึกคิดไม่ได้มีเหตุปัจจัยอื่นที่เกี่ยวกับความจริงที่เป็นสมมุติสัจจะต่างๆอันพึงมีพึงเป็นอยู่ในสังคมในโลกที่ต้องร่วมมีส่วนสัมพันธ์เป็นความจริงที่มีพลังงานเกี่ยวข้องกัน ร, ร่วมร่วอยู่ในความเป็นจริงนั้นเลย จึงถือว่าไม่ครบถ้วนกระบวนธรรมในความจริงที่มีที่เป็นอยู่ในโลกในสังคมจึงไม่ใช่สมาธิของพุทธมันเป็นแค่สมาธิของตนเองคนเดียวจะเป็นยังไงก็เฉพาะตนมันก็ไม่มีความจริงให้ศึกษาเรียนรู้เพราะมันมีแต่ฝันอยู่ในภพแห่งความนึกคิด ขบคิดค้นคิดของตนเองคือมีแต่สัญญาเท่านั้นเป็นความรู้แค่จินตนาการจากภายในผวางเ พ, อเ พ, อเพอ้อๆลมๆแ้งๆปั้นลมปั้นอากาศเป็นเรื่องเป็นราวเป็นวิมานสารพัดแล้วแต่จะคิดเพ้อฝันไปก็ย่อมเป็นไปได้สารพัดอะไรก็ได้ตามแต่จะฝัน แต่มันเป็นความจริงทำให้เกิดจริงตามที่คิดที่ฝันไม่ได้ก็มีจึงไม่ใช่สมาธิและปัญญาตามแบบพุทธอันเป็นความรู้ที่เกิดครบโดยมีหกองค์ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ258ว่าปัญญานั้นมีองค์หกเป็นองค์ประกอบให้เกิดคือ ปัญญาปัญญินีปัญญาพละธรรมวิจัยสมโพธชงสั ม, มาทิฐิมักคังคังที่ครบทั้งสมมุติสัจจะและทั้งปรมัติติสัจจะความรู้ที่เกิดขึ้นลอยๆในจินตนาการของตนเองคนเดียวเจิงไม่ใช่ปัญญาเพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยองค์ประกอบครบตาม ที่พูดกันที่สอนกันว่านั่งสมาธิหลับตาเมื่อสมาธินิ่งเข้าที่แล้วจะเกิดปัญญาผุดขึ้นมาเองนั้นนั่นไม่ใช่ความรู้ตามพระอนุสาสนีที่เรียกว่าปัญญาแบบนั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นลอยๆไม่มีเหตุไม่มีองค์ประกอบจึงไม่ใช่ปัญญาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ความรู้ขั้นปัญญานั้นจะต้องพร้อมไปด้วยชีวิตทุกอิริยาบถ ท, ทุกกรรมกิริยาทุกองประกอบทั้งภายนอกภายในที่เราสัมผัสสัมพันอยู่ด้วยทั้งในขณะทำงานอาชีพอาชีวะทั้งในขณะทำการงานทุกอย่างกรรมมันตากทั้งในขณะพูดวาจา ทั้งในขณะมีท่ารู้จัดการทำตัวเองให้เจริญสังกปะโดยมีสติกับความพยายามวายามะช่วยประทานคือทิฏฐิซึ่งต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ